การบรรยายเกี่ยวกับการแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติในครั้งนี้อก็จะพูดถึงการแผ่เมตตาที่เรียกรวมว่าการแผ่เมตตาหายาติคําว่าแผ่เมตตาหายาดนั้นหมายถึงญ า, า, ากคือผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ดีหรือญาติคือผู้ที่เป็น งานเราก็ดีือทั้งระดับที่สูงกว่เราทั้งระดับที่ต่ำกว่าเราแล้วก็คนที่ต้องการหางานหาลูกค้าก็สามารถที่จะใช้วิธีการสายเนตตาหายากนี้เป็นเครื่องช่วยความพยายามในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นมันมีลักษณะการสายเมตตาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะ ปฏิบัติกันในคราวหน้าคือการแผ่เมตตาปฏิเสธคนชั่วร้ายหรือคนที่เป็นหนูประสทในงานทั้งลูปน้องทั้งลูกพี่ก็ทาได้จต่นั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องคิดอย่างรอบคอบคนที่อยู่บ้านอู่ช่องอยู่ในอนาบริเวณที่มีแต่คนไม่ดีเช่นพวกขีเล่าเมายาพวกนี้นะฮะ ก็สามารถจะใช้วิธีการแผ่เมตตานี้ไล่พวกนั้นออกไปให้ห่างและสมีทั้งหลายได้แต่ผมก็ต้องเรียนว่า อ, อทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราทําด้วยการขักหานเอาด้วยอำนาจกิเลสและความโลภของเราเราใช้เมตตาใช้ อ, อการจัดความเหมาะสมทิ่คนที่เราเ อ, อทําให้เขาต้องออกไปเนี่ยเขาอาจจะได้ดีดีดีคือเราไม่ได้จับจับแย่ บางคนเขาย้ายจากที่เราไปเขาย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้ดีที่ดีกว่าเก่าได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นนั้นหนึ่งที่หนึ่งสามารถที่จะใช้ได้มากเรียกว่าการแผ่เมตตา ข, ขับขับไล่สิ่งชั่วร้ายคือทําสิ่งชั่วให้กลายเป็นสิ่งดีหรือทําให้คนชั่วร้ายเขาไปได้ดีที่อื่นไม่มาทําความชั่วตรงที่เราอยู่หรือในหน่วยงานของเรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ก็อยากจะเริ่มทําความเข้าใจเป็นการย้ําให้ชัดเจนว่าเราจะแผ่เมตตาเพื่อใะไรก็ตามเริ่มต้นเนี่ยจะต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเสมอการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนนั้นจะเป็นปัจจัยทําให้เราสามารถที่จะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นได้อย่างจริงจังแล้วก็จับจิตจับใจอ่า เมื่อเราแผ่เมตตาให้ตนเองแล้วเนี่ยก็จรแผ่เมตตาคนอื่นคนอื่นที่เราแผ่เมตตาให้นั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงที่เราแผ่ออกไปกว้างๆคนที่เราแผ่ไปให้นั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครในบางกรณีนะเช่นเราแผ่หาเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือแผ่หาลูกค้าแผ่หา ใครแต่ใครที่เราปรารถนาจะได้พบโดยการใช้สื่อทางจิตอันนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่ปรากฏแล้วยันเรารู้ว่าที่ น, น, นี้แน่คนนี้แน่หรือคนกลุ่มนี้แน่เราก็แพร่อย่างเจาะจงเรียกว่าเป็นการแพ่ไปยังบุคคลที่ปรากฏื่อว่าเราจะแพ่ไปยังบุคคลประเภทไหนก็ตามเนี่ยเมื่อกล่าวโดยลำบมเนี่ยวิธีที่จะทาให ให้เมตตาเราเกิดเนี่ยนะฮ ะ, อะขอให้อ ก, อกำหนดจดจำแนะนำเอาไปใช้ได้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยอจุดสำคัญก็คือว่าเวลาแผ่แล้วมันแผ่แต่ปากหรือแผ่แต่ความคิดที่เลื่อนลอยเมตตาจิตไม่เกิดเมตตาจิตไม่เกิดในพลังมันก็ไม่เกิดพลังมันอ่าประการที่หนึ่งเนี่ยน ะ, ะคือเราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตา แล้วก็แผ่ไปให้บุคคลอื่นเวยพร น, นําความสุขสวัสดีไปให้บุคคลอื่นโดยเรียกว่าขอความกรุณาขอความกรุณาคําว่าขอความกรุณาก็คือเราทําความรู้สึกว่าเราเป็นผู้น้อยเป็นผู้ต้องการความเกื้อกูลจากใครก็ได้ใครก็ได้คือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาซื้อที่เรา หรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขาให้งานเราหรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาช่วยเหลือาอราระิจเขาดับจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราก็ตามแล้วก็จะโดยตรงก็หมายถึงอคนคนนั้นมาช่วยเองหรือจะโดยอ้อมก็คือว่าแหกกระทบใครใคนใคดคนหนึ่งแล้วก็สะ้อนมาถึงอีกคนหนึ่ง ที่จะมาเป็นผู้ลงทุนลงแรงช่วยเหลือเรา น, น, นี่เดี๋ยวเราจะลองทํากันในภาคปฏิบัติจริงนั้นถ้าเราตั้งความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความเขือเ่อนหรือเป็นการใช้อํานาจหรือเป็นการเอารัทเอาเปรียบเลยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นใคร น, นะว่าเออเอาตีขินนินทาพยายามที่จะทําลายเราแต่เราก็แผดแม่ตา ในลักษณะเหมือนออดอ้อนเช่นนะระบุชื่อว่าคุณกอคุณกอครับกรุณาผมเถิดนะอย่าได้ทําอะไรที่เป็นการไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่อผมเลยนะคล้ายๆอย่างเนี้ยครับเหมือนออดอ้อนขอความกรุณาขอความร่วมมือให้เขาเลิกพฤติกรรมนั้นเสีย <c oughs> หรือขอความอนุเคราะห์ว่าเออให้เขามาช่วย สิ่งนั้นสิ่นี้จะเราหน่อยแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปให้พรเขาเหมือนเราอะจะไปขอความปรุณาจากใครเนี่ยอถ้าเราจะให้พรเขาจะขอบคุณเขาอถ้าเรารู้ว่าเขาสามารถจะช่วยเราได้หรือมีใจจะช่วยเราเนี่ยเราจะขอบคุณเราจะให้พรเขาจะในใจนอกใจก็ตามด้วยความรู้สึกที่จริงจังเสมออันนี้ก็เพียงแต่ว่า เราเอามาเป็นการส่งความรู้สึกแผ่ออกไปถึงใครที่ไม่ปรากฏตัวหรือที่ปรากฏตัวเป็นเราๆแล้วก็าตามนี่เรียก ว, ว่าตั้งความรู้สึกว่าขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาเหมือนเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปขอขอใดจำลองอย่างนี้ครับจะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปขอธรรมดาก็คือถึงก็ขอเอาขอเอาขอเอา แต่ถ้าไปขอได้เมตตาเนี่ยเราอุทิศบุญให้เราบูชาด้วยความดีเราใช้วิธีการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งสัตยาติฐานอะไรก็ตามเนะที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรู้ว่าเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่สักแต่ว่ามาขอโดยที่ตัวเองไม่มีดีอะไรเลาแต่ขอความกุณาเขาไม่ใช่บังคับ เป็นเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยอย่างบิ่งแล้วก็ขอในลักษณะที่ว่าคนนั้นเป็นใครก็ตามเราก็ไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าเราเวีนยนใ่ใยตเกิดอยู่ในสังสารวศเนี่ยคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้เป็นบุญคุณแกเขาไว้เนี่ยมีบัดนี้เรามีความ เดือดร้อนหล้วมีภารกิจที่ต้องการความอนุเคราะห์จากเขาเราก็ขอความกรุณาจากเขา้ดยส่งเมตตาจิตเป็นสื่อตรงนี้เราจะแผ่เมตตาได้อย่างเต็มความรู้สึกอย่างที่สองก็คือแผ่เมตตาให้ด้วยการลบความกตัญญูความกตัญญูนี่ก็หมายความว่า กับคนบางคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยอาจจะเป็นบุญคุณในชาตินี้หรือบุญคุณในชาติก่อนเห็นว่าคนที่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราในชาติก่อนมีอุปกาสทักคุณต่อเราไม่มีบัดนี้เขามาเกิดเป็นใครก็ตามที่เราไม่รู้นะแต่ถ้าว่าเป็นที่รู้ตัวเนี่ยเราก็กลาลบเป็นข้อบุญคุณได้นึกถึงความดีของเขาจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้กระทําไว้แก่เรา แล้วเราก็อ้างความดีนั้นตอบแทนเขาด้วยความปรารถนาดีต่อเข า, เาไม่เชื่อท่านลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับที่ท่านมีความทราบซึงในบุญคุณของเขาที่มีต่อตัวท่านแล้วก็ลองลองให้พร น, นะลองอํานวยพรลองแสดงความปรารถนาดีความรู้สึกทีด่ดีต่อคนนั้นที่ท่านทําได้ไหมยากหรือง่ายง่ายใช่ไหมฮะคนที่มีบุญคุณชัดชัด เ, เราก็ก็ทำได้ทีนี้เ อ, อเวลาแผ่เมตตาเนี่ยถึงต้อง ค, อคนที่เขาละเอียดเนี่ยเขาสามารถจะมองหาบุญคุณที่โดยปกติคนอื่นมองไม่เห็นเน้นแม้แต่ลูกเนี่ยบางคนก็ยังเห็นบุญคุณลูกจะเห็นยังไงคือความอันนี้ก็เรื่องความแยกแยะลึกซึ้งคือบางคนเขาเชื่อหรือเขารู้โดยด ย, ยานในวิถีว่า อคนที่มาเกิดเป็นลูกเนี่ยเคยมีอุปการะาคุณในแง่กดแหงกรรมนะเราถึงต้องมาตอบแทนความดีคเขาถึงบางทีเขาจะเลวร้วายไปบ้างแต่ก็เหมือนเราต้องมาใช้นี่คขาเพราะต้องใช้หนี่ด้วยดีอ่าจะได้ไม่เป็นเดินเป็นกรรมอของเราอปลาลบอย่างนี้เขาก็แผ่บุญคุณแผ่เมตตาให้กับบางคนได้อหรือว่าเราค้าขายเนี่ยครับ คนที่มาซื้อของเรามาอุดหนุนเราเนี่ยถ้าคิดด้วยความรู้สึกของคนที่แสยะเมตตาก็มีความรู้สึกเป็นบุญคุณเป็นบุญคุณจริงไม่ใช่ใส่สารตั้นแต่สักแต่ว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนแต่มันมีความที่เราอยู่ได้ก็คนเหล่านี้นะหรือแม้แต่พวกชาวไร่ชาวนาที่เป็นฐานหลังของประเทศเ ป, เป็นที่รองรับอะไรแต่อะไรที่เขาอยู่ทามาค้าขายอยู่ที่นั้นนั่นก็เป็นบุญคุณอันหนึ่งก็ก็สามารถจะแผ่ให้คนเหล่านี้ได้ ด้วยความรู้สึกที่จับจิตจับใจแล้วก็การให้บริการใดๆก็ดีการอ่าทําผลิตภัณฑ์อะไรมาขายให้คนเหล่านี้ก็ดีก็จะมีความรู้สึกจริงใจแล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างดีแก่คนเหล่านั้นหรือถ้าเป็นอย่างกรณีของคนคนที่เป็นครูสอนหนังสือถ้าเป็นอย่างผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนมาฟังทำมากผมเนี่ยผมผมทราบซึ้งอ่ย จริงๆซักฟึ้งไม่ว่าที่ไหนที่กรุณามาฟังแล้วไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นบุญคุณกันเราเลยนี่ด้วยความดั่งจริงจะมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้เขา้ามาบางคนก็าูป็นหลังผู้ใหญ่ผึ้สามานั่งฟังเนีะรู้สึกว่าซักฟึ้งและขอบคุณแต่ก็ไม่ใช่ง้อยให้มาฟังอะไรนักหนานแต่รู้สึกขอบคุณก็อดแต่เมตตาอดซักฟึ้งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ในทุกๆที่นี่ก็เป็นเป็น เป็นสิ่งที่เรานึกในเชิงบุญคุณที่เราจะต้องสรรหาให้พบถ้ามันเป็นบุญคุณที่ต้องใช้้ความเยียบยนถ้าเป็นเรื่องเปื่อนๆหยาบๆที่เข้าใจได้ง่ายๆก็อ้างเอาบุญคุณนั้นนั่นแหละในเวลาที่เราแผ่เมตตาไปสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีเราก็นึกถึงคนบางคนเนี่ยเขาเคยมาให้สตังค์ละยี่สิบบาทสมัยที่เราเด็กๆเราเคยร้องไห้ แล้วก็มีไอ้คนหนึ่งขับรถตะเติมมันยังไงก็ลุงพา ม, มาควักตังให้เรา20บาททสมัยก่อน20บาทเยอะนะเวลาเราแผลเมตตาทั้งคนมีบุญุณเนี้ยก็นึกถึงคนนี้ทันทีแล้วก็โวยพรเขาเข้าไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ยังทราบซึ้งเขาอยู่ว่าเขาให้เราทั้ง20บาททั้งที่เขาไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยเป็นแต่เพียงว่าเห็นเราร้องไห้อยากได้อะไรแล้วเขาเกิดความสงสาร อ, อันนี้ก็เป็นบุญคุณง่ายๆนะ ที่แผ่เมตตาได้ดีเนี่ยครับจึงคู่กับลักษณะของความเป็นคนมีลักษณะกตัญญูคนกตัญญูในแผ่เมตตาเก่งแผ่เมตตาได้ดีแล้วคนที่แผ่เมตตาได้ดีแล้วก็จะได้ลักษณะของความกตัญญูด้วยนี่เป็นอย่างที่สองอนะอย่างที่สามก็คือปลาลบถึงคุณมันหน้ า, นาเลื่อนใส ของบุคคลที่เราแพ้ให้แต่คนนั้นน่าเลื่อมไสเนี่ยจะเป็นคนที่ปรากฏโดยโตรงที่เราเห็นรู้ประวัติด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่ปรากฏโดยบริยายสมมติว่าเขาทําธุรกิจอย่างหนึง่งเราไม่ได้รู้จักเขาแต่รู้เขาทําธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานอผ้ามี คนงงคนงานที่เขาต้องดูแลอะไรอเงี้ยนะฮะอันนั้นมันก็เป็นบุญคุณเป็นความดีที่มีต่อสังคมที่เขาต้องคอยนึกว่าทุกเดือนเนี่ยเขาจะเอาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนของคนงานเขาอย่างไรเมันก็เป็นความดีอันหนึ่งถ้าเรามองมองก็เห็นโดยที่้เขาเองเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบจริงจังอะไรก็ตามก็ถือเป็นเรื่องโดยปริยายหรืออย่าง บางคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราคงจะได้ดูข่าวไทยทอดสดที่พวกรัฐบาลพวกในทหารก็ไปหาอดีตนายกคนหนึ่ง เ, เราเห็นเราก็รู้สึกว่าชื่นชมในความดีงามของท่านผู้นี้เราถ้าเราจะแผ่เมตตาให้มันอาจจะบังอาจไปตั้งไหนก็ตามเด็ดก็จะแผ่ได้เดิ ง, ง่ายนะฮะก็เราก็ทําได้ครับเพราะว่า เราอาจจะไม่ต้องไปแผร่ให้ท่านเป็นใหญ่เป็นโตว่วาท่านเป็นจนขับแหละขับประเทศแะครับก็อาจจะแผร่ให้ท่านได้อย่างอื่นนะที่ที่ดีกว่านี้เท่าที่เรานิย ม, ยมชมชื่นหรือเราเข้าใจอยู่เมตตาก็เกิดง่ายแผร่ให้ในหลวงเมตตาก็เกิดง่ายหรือแผร่ให้คนดีใดๆนะที่มีความดีปรากฏแม้ว่าความดีนั้นจะไม่มาทากับเราโดยตรงเนี่ยเมตตาก็เกิดได้ เกิ ด, เ, ดเรื่องน่ายของความเลื่องใสในคุณของท่านครนีอ้อย่างที่สี่นะอย่างที่สี่การแผ่เมตตาโดยอาศัยความน่าสงสารทีนี้ความน่าสงสารเนี่ยเรื่องหนึ่งมันเป็นความน่าสงสารที่เห็นชัดๆเห็นชัดๆว่าเขาป่วยบางทอคนที่เคยเคยเคยเกลีกัน พอเข้าไปติดคุกติดตารางหรือเขาเจบไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็้งสงสารครับก็สามารถที่จะแผ่เมตตาโหสิให้ได้อหรือบางคนอาจจะมีความน่าสงสารอย่างอื่นๆ น, นะอย่างที่เราเห็นตามข่าวในโทรทัศน์คนแก่คนตาบอดที่ถูกลูกหลานทิ้งกวางเนี่ยนะฮะเห็นแล้วเราก็แผ่เมตตาได้หเห็นคนบ้าที่เดินที่ทําอะไรอะไรอยู่ตามแต่เราก็แผ่เมตตาได้เกิดขึ้นได้ง่าย แลาวแบบอย่างเราทีนี้มันมีไอ้ความน่าสงสารอันหนึง่งคือความน่าสงสารอย่างชนิดทีซ่อนเล้นไปนิดหนึ่งซึ่งคนไม่หลักแหลมจริงมองไม่ออกอย่างเช่นวันนี้เราพูดกันถึงว่าคนบางคนนะแม้ว่าจะเป็ใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งเป็นถึงอธิปดีแต่ว่ามีความน่าสงสารบางอย่างอยู่ในตัวความน่าสงสารนั้นอาจจะเป็นความมืดบอด ในเรื่องของชีวิตเรื่องของกรรมเรื่องของพฤติกรรมเราก็เกิดความวิตกกังวาหรือเราไปเห็นคนที่ไยทงความชั่วบางอย่างเราก็มีสติอย่ตรงสารแต่ความสงสารนี้เป็นของลึกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยการใช้อำนาจความสงสารในทางลึกนั้นจะเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเห็น ภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยของความชั่วร้ายในตัวของปุถิชนคนธรดาทั่วไปเห็นภัยของทุกขติที่คนธรรมดานึกไม่ค่ยเห็นไม่คยรู้สึกอะไรเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมเามองเห็นก็เกิดความรู้สึกสงสารแล้วเวลาแผ่เมตตาไปยังสัรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยจุดนี้อย่างที่เร า, เ อ, าอาจจะได้พูด เวลาแผ่เมตตาหรือได้ยินพระท่านนำพูดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคําพูดของคนที่เข้าถึงความน่าสงสารอันลึกซึ้นเวลาพระพุทิเา้าแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายจึงปราลบเรื่องความทุกอย่างนี้เป็นที่ตั้งจึงปรากฏว่าไม่มีใครเลยที่พุทธเจ้า มงสามไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ที่อยู่ในทุกคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งนั้นจึงสงสามได้ทุกคนแต่ว่าในทางปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ปลารลบเฉพาะเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราเข้าใจถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราก็ไม่สามารถที่จะแผ่ได้ก็ไม่ต้องเอา ความมากของสารตรงจุดนั้นมาเป็นเครื่องแผ่ท <c oughs> ีนี้บางทีเนี่ยเราเราเอาไอ้ปัญหาที่เรามีเนี่ยมาตั้งคนอื่นไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เรามีสมมดว่าเรามีความทุกความกรดต้มอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วคนอื่นไม่ได้มีเสร็จแล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาให้คนอื่น ซึ่งผมเคยใช้ในขณะนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางคนปฏิบัติเป็นร้อยๆนี่นะอย่างที่ภาคินเดียเราปฏิบัติไปถึงจิดหนึ่งเนี่ยมันเกิดไอ้ความทุกที่เกิดจากกรรมแล็กิเลสบางอย่างที่มันคงคกายออกมามันเกิดความทุกข์มากแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าหนึ่งเว่าเขาไม่มีความทุกข์อย่างเรานและเขาคงไม่มีเวรไม่มีกรรมอย่างเราไม่มีกิเลสอย่างเรา หรือมีแต่ว่ายังไม่เจออย่างนี้เวลาเราไปนั่งปฏิบัติแล้วก็แผ่ไปขอให้ทุกคนเนี่ยจงอย่าได้มีความทวกความเจ็บปวดอย่างนี้เลยขอให้ได้มีความสุขเกษมในการปฏิบัติธรรมจทตุกทุกคนเถอะไม่ให้แต่คนเดินผ่านหน้าเราไปาแเราก็นึกอย่างนี้ขออย่าได้เป็นอย่างเราเลยแล้วก็แผ่กลับกันว่า ที่่านเป็นอย่างนี้ดูที่ถ้านจะไม่เป็นอย่างนี้ดีแล้วขอให้เราจงได้เป็นอย่างท่านเถิดนึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราแผ่เมตตาให้หมอก็ได้แผ่เมตตาให้คนมาเยี่ยมไข้เราก็ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ขอให้คนอื่นอย่าได้เป็นทาได้ง่ายไหมง่ายใช่ไหมเรากำลังจะล้มละลายหรือล้มละลายแล้วเนี่ยเราก็ให้คนอื่นอย่าได้ล้มอย่างเราเลยไม่ใช่ เราล้มอ่ะขอให้เจ้าหนูล้มมากมันก็มันก็ไม่เป็นเมตตาคิดมลนเก็นไม่เป็นเมตตาแต่ถ้าคิดอย่างนี้เป็นเมตตาและวการคิดอย่างนี้ทําให้เราพ้นทุกลัวกลายเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตของเราดังนั้นแม้แต่คนที่เข้ามาทําให้เราทุกข์เนี่ย มันเป็นผวกก่อปัญหาให้เราเนี่ยนะไม่ว่าจะการตีกิ้นทิ้งตาว่าร้ายการโม่งทำลายรอบกัดลับหลังก็ตามแล้วทําให้เราเดือดร้อนถ้าเราละเอียดจริงเนี่ยนะฮะพลังเราถึงจริงเนี่ยเราจับพลิกความรู้สึกว่าขออย่าให้ก็เป็นอย่างเราเลยเป็นเนี่ยมันพุกมากเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าวันหนึ่งเขาเป็นนะเขาจะเข้าใจแต่อย่าได้เป็นอย่างเราเลยมันเจ็บปวดมากก็เลยแผในเต่า แล้วก็ทําไปทํามามก็เลยทําให้เราค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็ทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรได้ในที่สุดเหมือนกันนี่เรื่องอำนาจของความน่าสงสารแต่เมตตาได้ง่ายสี่ใช่ไหมสี่อันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาความปรารถนาของตนนะครับเป็นที่ตัง้ง อันนี้เป็นหลักอนุมานเคยพูดแล้วนะครับในวิสุธิมัชได้พูดถึงตรงนี้คือเราเองเนี่ยจึงต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนว่าเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการอะไรแล้วก็ให้พรตัวเองแผ่เมตตาตัวเองแล้วก็ขอให้คนอื่นอย่าได้ประสบสิ่งที่เราไม่ต้องการและสิ่งนั้นอาจจะปรากฏแกเราอยู่หรือได้ประสบสิ่งที่เราต้องการ และแมาสิ่งที่เราได้แล้วเนี่ยเมื่เราได้อะไรทักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้จะดีมากเลยที่สมมุติว่าเราได้ธรรมะได้ธรรมะได้ความฝึกเกษมในธรรมอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะเราก็นึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องนึกถึงถใครแต่ครเนี่ยแผ่เมตตาไปขอให้เขาได้บ้างได้รับความกเกษมฝึกในธรรมได้รับแสงสว่างให่ชีวิตนี้บ้างเถิดขอให้ได้บ้างเถิดอย่างนี้นะ ก็จะเกิดเมตตาได้อย่างตุแลแรงนี่คือเอาสิ่งที่ตัวเองได้มาให้คนอื่นแต่ว่าตรงนี้ถ้ามันจะเรื่องขนเพลินก็อาจจะทําให้เกิดความตะลึงความแฉนอ้วงได้แต่ถ้าตั้งาติการดีแล้วก็ก็ให้คนอื่นได้เพราะในเวลาที่เราประสบความสาเร็จอะไรเนี่ยนะเราก็เลิกให้คนอื่นได้เสมอแม้แต่เรื่องธรรมดาเออขอให้คนอื่นได้ด้วยเใ น, นเวลาที่เราเดินทาง แผให้ตนเองปลอดภัยแล้วให้คนอื่นเลทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนั่งเครื่องบินก็ให้กับปันแผ่ให้ด้วยแต่ให้อพวกแอร์โฮเตสให้ทุกคนให้ปลอดภัยไปด้วยกันแล้วเราจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมุ่งความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนอื่นด้วยคือจะได้หรือไม่ได้เราไม่แต่ว่าเราได้ได้ทําเมตตาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจได้กระทั่งว่าถึงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการแย่ง ถ้าของนั้นเป็นของเราความสำเร็จนั้น <ค curtain, S 2> เป็นของเราก็ขอให้เราได้ถ้าเป็นของดอื่นก็ขอคนอื่นได้ถ้ามันเป็นของที่จะต้องแบ่งครึ่งกันวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็คนละครึ่งแบ่งส่วนกันถ้าเขาไม่ได้โดยตรงก็ให้ได้โดยอ้อมถ้าเราไม่ได้โดยตรงเขาคนอื่นจะได้โดยตรงก็ขอให้เราได้โดยอ้อมครอบแคลนมันก็จะมีผลนะ ม, มีผลตามสมควรนะผมต้องบอกว่าเราไม่อาจจะรับปากการะกันสำหรับทุกคนได้ในทุกๆกรณีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอพ่สูจน์ผลได้ตามสมควรแก่ขั้นแก่ตอนและเราต้องไม่ลบความสมบูรณ์ของทน1้อยเปอร็ในอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกคนเก่าๆนี่โอ้ทาไมกลับมาหาผมเยอจางผมก็รู้ โทรมาก็มีอะไรเงี้ยบางคนสี่ปีต้ง โ, โทรมาเมื่อคืนโทรมาคุยสองทโทโมง่คุยแล้วโอ้โหเจ็บไปเลยแล้วก็อ่บางไลน์ก็มาวันนี้เรากรุณาขับรถมาสง่งมาวัวอาทิตย์หายไปสักตั้งปีมาเรารู้ว่าเขาเหล่านี้เราเคยมีความทุกข์แล้วก็เคยมาปรึกษาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ารักใคร้เขาอยู่นะ เวลาเวลาไปทำกรรมฐานอะไรเงี้ยมันก็ผู่มาให้เราได้แผลไม่ตายก็พ้นความทุกข์อะไรก็อะไรแหมบางคนก็อยากจะโมโหแต่ก็ไม่ลงเหมือนกันตอนนั้นขัดสนเรื่องเงินทองได้มาสิบล้านหายเนี่ยไปสิบไปสี่ไปที่โดไปที่มีทุกเครื่องใหม่ก็ไม่แล้วถึงมาเจอกระติ่งก็ไม่ก็ไม่เป็นไรด้วยอย่างบางรายเออหม่ที่็น่าตาแจ่มใสก็รู้สึกเอออย่างน้อยก็ ไอเราไม่ได้ไปเรียกเขามาแล้วก็ไอเรื่องเขาเาก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่อากที่จะรับรองอะไรเกี่ยวอะไรก็ได้แต่ว่าก็อยากจะส่งความปรารถนาดีไปให้มามาจะเป็นแถวแถวพวกเก่าๆนะลองดูสิครับ ถ, ถ้าท่านระลึกถึงใครที่เป็นคนเก่าๆด้วยความรักจรใจเราเนี่ยแล้วแผ่เมตตาเดี๋ยวถ้าโทรศัพท์มาเดี๋ยวก็ต้องมาเจอเจอกันออเรื่องนี้รู้สึกมานานแนละ้ว งผมขอจำมาเรื่องเอาตนเปรียบเทียบเนี่ยเอาความทุกข์ของตัวเองเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองเปรียบเทียบแล้วก็ให้คนอื่นเอาความทุกข์ของตัวเองเปรียบเทียบแล้วก็แผ่ให้คนอื่นเขาไม่ไม่ไม่มีความทุกข์ แล้วเมตาจะเกิดขึ้นทีนี้เวลาเราทําเนี่ยเราก็ลองดูว่าอันไหนเราทําได้ก่อนคนไหนควรจะทํำด้วยอะไรเราก็าเอาวันนั้นมาทํากับคนนั้นทํากับคนกลุ่มนั้นทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏตัวเจะพูดจะว่าในทางการแพรในกรณีทั้งสองอย่างน่นดีทีผมเนี่ยมีประสบการณ์อันหนึ่งคือบางคนเขาก็แผรเมตาให้เรานะ แก็รู้สึกเลยว่าเราเหมือนเป็นธาตเมตตาี่กระปุกน้มันน่ากระปกเอาไปนั่นแหละอย่างไรเลยเนี่ยมันเรามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนมาป้วนเปรีบวนเปอยู่ข้างๆเราก็มาูเลสหลังเขาเขาแผลเขาแผลแรงมากแผลด้วยความรู้สึกกระโหลกหน้าตืออะไรกันเนี่ยแผลแรงมากเวลาจะแผลเมตตาเนี่ยเขาบอกเอาเนี่ยแผ่ให้จารย์อันดับหนึ่งมาก่อนเลย ห อ, อกอรไทยทั้งหมดถูกแพ้แรงแพ้แบบหมอเหมือนหัวใจจะปลิ้นออกมานอกนอกตัวกันนะ่ะเออเราก็รู้สึกแหมทําให้ความ ค, คิดใจนี่นมันต้องกวนเปี่ยนไปคอยนึกคอยห่วงอะไรกันนะ่ะและ้วมันเหมือนมีคนเหมือนผีอะห <c oughs> มอกรไทยอยู่ก็ยังบอกเรวเออทาไมแนละ้วเขามาว่าแบบนี้บอกคณะเขาแพ่ไม่ตายแต่เขาแพ้ไม่ตายจริงๆไม่ได้ออมีควา ม, มรู้ฝึกไม่ร้ายเป็น ประการใดหรอกก็ไม่จะไหแล้วก็แพลงไปแพ่กันมาเราจะได้ระลึกถึงกันบ่อยๆยันดีมากันได้เกื้อกูลกันถึงบอกว่าจริงเรานี่ยได้เกื้อกูลกันอย่างน้อยถ้เกื้อกูลในใจแล้ต่างคนก็จะต่างดีไปด้วยกันอันนั้นเป็นเหตุจึงจึงเมป่าเรียกว่าเหตุปลูกเมตตาหรือวิธีปลูกเมตตาด้วยอาการ ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะขอพูดเติมให้ด้วยก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในพลังเมตตาหรือพูดในภาษาท่านก็คือว่าเชื่อหรืเห็นอานิสงของเมตตาเนี่ยเราจะทําอย่างเต็มบุญเต็มใจอันนี้ส์ของเมตตาไม่ว่าจะเป็นอานสงส์ในแง่กรรม เออว่าเราได้บุญเป็นที่คงเคยพูดแล้วนะ น, นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องอยัง่งหรือในแง่ของสังคมหรือในแง่ของความสําเร็จนั้ น, น, นเมื่อเรารนึกถึงอนิสงค์ของเมตุเกิดได้อย่างกับเรืกับเราเกิดแล้วก็พอเราแผ่เมตตากับจิตใจแล้วก็จะสงบเป็นสุขก็ ก็จะทำให้เราแพอย่างเป็นของที่มีคุณค่าคือพอใจเป็นสุขนะแพไปถึงใครก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขและสงบเย่ยงตามไปด้วยนี่เป็นเป็นวิธีการนะฮะที่เราจะปลกเมตาให้เกิดเอาแลวนะทีนี้จะให้ท่านทั้งหลาย กนณีตรงนี้ก็ญาติมีหลายอย่างคนที่กำพร้าพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่ได้แพหาก็ได้พวกลูกกำพร้าที่โตแล้วไม่รู้ญาติพ่อแม่ที่ไหนแพรให้มันเกิดเหตุประจวบได้แล้วก็คนที่ต้องการแพรหาคารลีอาที่เรียกว่าผู้ร่วมงานอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็ ไ, ไม่อจะเป็นงานสานางานสังคมหรือว่างานอะไรทักอย่างเนี่ยเราก็สามารถแตะได้ที้ถ้าตรงนีนะ้เนี่ยผมจะให้ลองทําแผ่เมตตาในแง่ของงานสมมุติว่าท่านอยากจะท่านกําลังหางานทําหรืออยากจะเพิ่งจบมาถ้าหางานทําหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการหางานมาป้อนธุรกิจทางใต้กด็ดีนะฮะ หรือต้องการหาเงินทุนก็ดีไม่ทราบว่าน่าเกลียดไหมเนี่ยเลอและจริงจริงเนี่ยแม่ใดเป็นพระถ้าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเดีดก็แผลเละตรงนี้เนี่ยนะฮะดูไม่ว่าพระที่ท่านเก่งกรรมฐานเนี่ยท่านทำท่านทาแผลหาคนที่เป็นคนที่จะมาร่วมบุญกัน แล้วก็ถ้า hmm. เป็นอย่างไม่แผลกอธิษฐานดูว่าทําสําเร็จไหมก็จะมีเซวดามาบอกบางอะไรบางสําเร็จให้ทำเนี่ยนะอย่างอครูบาศรีพี่ชาแต่เป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถอธิษฐานดูผลสําเร็จไหมสําเร็จแล้วอะไรหรือแม้จะเรียกสําเร็จได้แล้วดีเราก็ต้องแผลแผลให้พรแก่คนที่เขาจะมาช่วยเราลวงนะ นะว่าใครที่อกําลังที่จะมาช่วยเราตอนนี้กําลังออกหัวออกก้อยอยู่เรื่อธุรกิจก็ให้ออกหัวหรื อ, ออกก้อยจะได้มีคันมีต่อมาช่วยเหลือมาทําบุญร่วมกันเราอย่าแผ้ด้วยความโลภนะบอกว่าเอาแพ้แล้วจะมาเอาคนอื่นเข้ามาเป็นค่า<อ>ใจไม่ได้ต้องบริสุทธิ์จใจแล้วก็จะโชคดีไปได้วยกันทั้งหมดเลยคนมาทําบุญก็โชคดีก็ได้มาทําบุญก็ได้ไดมา มาเจอกันด้วได้มารู้จักเราไงนะฮะเอาละลองดูนะ <c oughs> จะเกิดกับการแผ่โดยบุคคลนะถ้าเราแผ่เมตตาให้กับคนบางคนแล้วเมตตาไม่เกิดเนี่ยเราต้องหยุดเล้นคนนั้นไปก่อนอาจจะแผ่ไม่ได้เลยในการแผ่ครั้งนั้นก็ได้ก็ทิ้งไปเลยไม่เป็นไรให้แผ่กับคนที่เราแผ่ได้ก่อนนะแล้วก็ลองยื่นจิตไปถึงคนที่แบบไม่เจาะถ้าเมตตาเกิดได้ค่ยแพ่ ถ้าเมตตายังเกิดไม่ได้ก็อย่าพึ่งแผลอ่าอ่าไม่ไม่ต้องฝืนคือเราพยายามแล้วด้วยอุบายต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็อย่าไปแผลเอาไว้แถลทีหลังเพราะว่าคนที่เราเกลียดเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเป็นระยะระยะไปนะคะแม้ว่าจะไปอยู่ในที่ปฏิบัติแล้วบางทีมันก็ผุดขึ้นมายั่วทําให้เราเนี่ยแพลเมตตาไม่ออกหรือแผลก็แผลแบนฝืนๆแห้งแงไปอย่างนั้นก็ ก็ระวังย้าให้เมตามันเสียเดี๋ยวมันจะระบาดมาเสียเมตตาตัอื่นที่เราทำได้กับบุคคลอื่นฮะผู้ปว่วยหมายถึงเราจะแผ่เมตตาให้ผู้ป่วย อ, อันนี้ค่อยๆว่านนกันอีกๆนะเราจะแผ่ในลักษณะยังไงเอาไว้เป็นประเด็นต่งางๆเราจะเริ่มแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติ ถึงตอนนี้เนี่ยท่านเองต้องเริ่มบอกตัวเองว่าเพราะบางคนเนี่ยพอจะหลับตาชจะรู้สึกว่าชักไม่ชอดชักกระสับกระสายชักรู้สึกดูเบาแล้วแต่นะคือแต่ละคนบางทีงก็มีความรู้สึกต่างๆว่าทําทำไมกันไม่รู้อะไรก็มีเราก็ต้องคอยตอล่อมจิตของเรา <c oughs> เช่นถ้าเรารู้สึกดูเบาเนี่ยแสดงว่าเราไม่เห็นอานิสงส์ของเมตตา ว่าเออการแผ่เมตตาเป็นการสร้างบุญชั้นสูงหรืออย่างน้อยว่าได้ผลผลได้เรียนรู้ได้หรือได้พักจิตหรือได้ทำป๋าสุขวิหารแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะบอกแก ต, ตัวเราเองได้ดในสมก้อใดเมื่อเราสงบจิตนะตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาหลับตาเนี่ยเมื่อหลับตาแล้วดูจิตตัวเองก่อน ว่าเมื่อหลักตาแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบางคนพอหลักตาก็เห็นอาการของจิตว่าง่วงเหนื่อยหายท่อแท้เพราะว่าเพิ่งประกอบภารกิจการงานกันมาบางคนก็เมือหลักตาก็รู้สึกว่าเครียดหรือหมึนก็เพราะว่าความพร้อมของร่างกายของท่านในเวลานี้ จะด้วยภารกิจหน้าที่หรือว่าด้วยผ้ า, ากัดข้อที่เกิดขึ้นในการนี้ทําให้ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้มันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลดทอนการทํำสมาธิการแก้ไม่ต่างคัน้นลงไปตามส่วนท่านก็อย่าท้อใจบางท่านเมื่อหลับตาแล้วเนี่ยจิตก็สงบเลยเกิดความรู้สึกเป็นสุขเลยก็มี บางท่านก็รู้สึกว่ามันอึดอัดตามร่างกายก็มีเอาเถอะจะเป็นอย่างไรนั่นก็ช่างขอให้เนึกว่าเรากำลังจะฝุดฝืนตัวของเราเองทง้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมน้อมรับธรรมะและท่านจะทำได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างน้อยท่านก็รู้จักตัวตั้งเอง ว่าเมื่อท่านหลับตาแล้วท่านมีข้อขัดข้องทางนี้อยากขัดถ้าใจยังไม่ไปก็ ข, ขอให้ความคิดของท่านเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการแผ่เมตตาก่อนถึงตอนนี้ท่านยังทําไม่ได้ท่านกลับไปทําที่บ้านในวันใดวันหนึ่งที่ร่างกายจิตใจท่านพร้อมท่านสามารถจะทําได้ในการต่อไป อย่างแน่นอนขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองให้นึกถึงอุปสรรคขัดข้องและความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของท่านซึ่งเป็นประเด็นของการใช้พลังเมตตาเพื่อผลสำเร็จอันนี้ ถ้าหากว่าท่านกําลังหางานกําลังหางานทำหรือกําลังจะเปลี่ยนงานที่ดีกว่าไม่ว่าท่านจะมีที่หมายแล้วหรือยังไม่มีที่หมายของงานใหม่หรืองานที่ท่านกําลังหาก็ตาม ขอให้ท่านให้พรกับตัวท่านเองให้ความปรารถนาดีแก่ตัวท่านเองอธิษฐานจิตให้กับตัวท่านเองด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาบุญที่ท่านได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนา ที่ได้ทำไวแล้วในชาตินี้บุญที่ท่านประทับใจที่สุดเบิกบานใจในบุญนั้นที่สุดขอให้ท่านนึกถึงบุญนั้นเป็นเบื้องตน้นบุญอื่นๆที่ทำในภพนี้หรือภพก่อนๆขอให้ละลึกถึงเพื่อเป็น ที่อธิษฐานปรารถนาประกอบการแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองว่าด้วยอำนาจบุญ น, นั้นขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องการงา น, นที่ท่านมีอยู่คืองานที่ท่านกำลังหา หรืองานที่ท่านกำลังจะหามาป้อนธุรกิจของท่านความรับผิดชอบของท่านสายอาชีพการงานของท่านท่านจะประกอบอาชีพใดอยู่ก็ตามลูกค้าของท่านงานของท่านอยากเป็นเรื่องใดขอให้ท่านนึกถึงขอให้ท่านให้ข้าพเจ้า มีงานทำมีงานเข้ามาให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากข้อขัดข้องเรื่องงานที่ท่านทำอยู่หรือท่านที่ไม่ได้มีข้อขัดข้องเดือดร้อนก็นึกถึงในทางบุตขอให้ธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีผู้สนับสนุนมีงานเข้ามาให้ท่านจเจริญในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นท่านผู้ใดที่ชัดเจนในส่วนแห่งงานอยู่แล้วขอให้หนึกกระชับเข้ามาในส่วนในขอบเขตแห่งงานที่พอจะชัด เอ็นของท่านด้วยอำนาจของบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ขอจงบรรดาลความสําเร็จในการงานที่ข้าพเจ้าปรารถนานี้จงสําเร็จโดยเร็วจงสําเร็จโดยฉับพลันจงสําเร็จโดยครบถ้วนบริบูรณ์เถอด ด้วยอำนาจของญาติาโลหิตของข้าพเจ้าที่ล่วงรับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติในชาตินี้หรือในชาติก่อนข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลให้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นญาติสาโลดิตของข้าพเจ้าหรือเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เกื้อกูลของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพพญดาเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาหน่วยงานของข้าพเจ้า อยู่ที่หน่วยงานของข้าพเจ้าขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับส่วนกุศลของข้าพเจ้าเถิดขอให้ท่านจงอนุโมทนาส่วนกุศลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ความปรารถนาดีมาอย่างถัน ให้ท่านจงได้รับอิทธิผลอันน่าปรารถนาตามความกระสงของท่านข้าพเจ้าขอพรีท่านโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีขอให้ท่านทั้งปวงเหล่านี้จงได้รับส่วนกุศลและเมตตาของข้าพเจ้า ทรงจิตแผ่จิตด้วยความสำนึกด้วยความปรารถนาในใจอย่างลึกๆจากโดยรู้สึกโดยปริยายอยู่ในใจหรือจะโดยพูดคิดให้ปรากฏเป็นเนื้อความตามปรารถนาขึ้นในใจ สลับกันไปก็ได้แผ่จิตไปยังที่ทำงานของท่านท่านทำงานอยู่ที่ไหนในห้องใดให้แผ่จิตแผ่เมตตาแผ่กุศลไปด้วยมโนภาพที่ชัดเจน ทั่วห้องทั่วบริเวณทั่วกลมทั่วกองทั่วกระสวงแพ่ไปถึงบับพะชนผู้ใหญ่เทพพยดาผู้ใหญ่ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนั้น หรือได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันของสถานที่แห่งนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันและเมื่อละลึกถึงแล้วให้ระลึกนึกแผ่เมตตาอุทิศบุญถวายและ อนุเคราะห์เกื้อกูลจากท่านเหล่านั้นตามที่ท่านต้องการปรารถนาท่านจะนึกเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างไรก็ได้ขอให้นึกด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยใจที่ไม่ละโมก ด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมและผอมตน้นส่งความคิดไปให้ทั่วให้รอบบริเวณส่งเมตตาพุ่งเฉพาะไปยังตำแหน่งแห่งที่ที่มีอนุสาวรีหรือมีรูป ที่เป็นเทพพยายดาเจ้าที่ของหน่วยงานของท่านและอดีตข้าราชการอดีตคนที่เคยทำงานที่ได้ลุวงลับไปแล้วของหน่วยงานนั้นหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ลมหาย ตายจากไปคนแล้วคนเล่ายุบแล้วยุบเล่าขอให้แผ่เมตตาแผ่บุญไปให้ทั่วจิตของท่านเคลื่อนไปถึงไหนแผ่ไปถึงไหนขอให้ความรับรู้รับ สงบนิ่งเป็นสุขเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีนั่นหมายความว่าเมตตาจิตของท่านเกิดอย่างลรเอียดและบางครั้งหรือบางคน จะมีความรู้สึกสะท้อนกลับให้เป็นคำตอบแก่ท่านได้บางคนหรือบางครั้งก็มาชัดเจนบางคนหรือบางครั้งก็อาจจะพอทราบได้เป็นเหล่าๆ เ, เช่นท่านมีความรู้สึกเชื่อมัน่นมีความรู้สึกมีความหวังมีความรู้สึก ของท่านในส่วนที่ท่านเป็นกนังวลหรือห่วงใหญ่อยู่นอกจากนั้นขอให้ท่านแผ่เมตตาไปให้กับผู้ที่มีชีวิตที่อยู่ในหน่วยงานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านทั้งโดยตรงโดยอ้อม เริ่มจากผู้ที่อาจให้คุณให้โทษแก่ท่านได้ก่อนถ้าท่านยังเริ่มกับบุคคลนั้นไม่ได้ก็ให้เริ่มจากผู้ใหญ่ที่สุดหรือผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่อาจจะอยู่ห่างตัวท่านออกไปสักหน่อยแผ่เมตตา อวยพรอธิษฐานปรารถนาด้วยความบริสุทธิ์ใจให้กับท่านเหล่านั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในกระสวงก็ให้ท่านแผ่ให้กับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและไล่รองลงมาตามลำดับ จนถึงผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือชั้นท่านขึ้นไปแล้วก็แผ่ย้อนกลับให้นึกถึง แต่ระดับสูงลงไปถึงระดับล่างแผ่กลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงอารู้ลมปฏิลมให้เต็มความรู้สึก ที่เป็นญาติสาโลหิตที่มองไม่เห็นตัวของบุคคลผู้นั้นทำให้บุคคลผู้นั้นต้องมาประสานประโยชน์ด้วยดีกับเราจึงขอให้แผ่ให้ทั้งตัวเขาครอบครัวของเขา ราตสาโลกิตของเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทั้งคนที่เป็นกลาหรือคนที่เป็นอุปสู่ทำตัวเป็นอุปสรรคขัดข้องเราก็ตามถ้าแพ้ได้เลยก็ให้แพ้ให้เลย ถ้ายังแพ่ไม่ได้ก่อนก็รอไว้ก่อนรอจนกว่าเมตตาจิตของเราจะเกิดได้โดยแท้จริงกับเขาเมื่อเราแพ้เป็นคนๆหรือเป็นกลุ่ม คนอย่างไรให้แผ่ไปตามที่ท่านรู้อยู่ในใจจากนั้นจึงแผ่โดยรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งส่งจิตไฟให้ทั่วบริเวณทั้งบนพื้นผิวดินทั้งบนอากาศทั้งที่อยู่ ในดนิจะเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในสภาพอย่างใดอย่างใดในอนาบริเวณหน่วยงานสถานที่ที่เราทำงานอยู่แทนให้ทั้งหมดอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมด เป็นอุปสรรคขัดขวางแกเราก็จะได้หยุดพฤติกรรมนั้นหรือหยุดความรู้สึกในทางลบต่อเราและถ้าเป็นการดีผู้ที่ทำตัวเป็นศัตรูนั้นก็จะกลายเป็ น, นที่เกื้อกูลกันกับเรา จำกัดเรื่องเวลาก็ดีหรือเมื่อแพอย่างคนที่มีปัญหาในการทำงานก็ดีจะต้องทำบ่อยๆและทำนานๆทำกลับไปกลับมาซ้ำไปซ้ำมาจนเต็มความรู้สึกจนเพียงพอแก ค, ความต้องการของเราให้จำไว้ว่า เราทำงานอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ทั้งผู้ที่อยู่สูงกว่าเราต่ำกว่าเราโดยการแผ่พลังให้พรนเขาคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยให้เหนืองานปลอดภัยให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าให้ทุกคนเจริญก้าวหน้า ทั้งตัวเขาเองและครอบครัวของเขาและแพ่ขจัดอุปสรรคขัดข้องของเราที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยการเข้าไปสังกัดทำงานในที่นั้น ได้ตอบแทนอย่างน้อยที่สุดก็ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจต่อนหน่วยงานและผู้ร่วมงานและพร้อมกันนั้นก็ขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาขอความเกื้อกูล